ก่นปการนไหลของเขาที่อกวัดนี้นปไหนแล้วมีตอนยี่สิบสใครจะทดเราเราจะามนะอะคอดาเรยน้นนีที่มันเป็นยุง่งย <c ười hail regeneration> ตอนนีเคยอยู่ที่นั่นยามีหม้อเยาะหม้อแก่หม้อยาท้องนี้ที่นันคุณคุอ้วกอ้วกที่เชื่ออ้วกเคยอยู่ที่นั่นเคยไป เรืองเงนหัใจเลยค่อยอยาพูดัะไรพื้นฐานทำเรื่องเงินตั้งจิตกรรมกรรมฐานเนี่ยพร้อมกรรมานลงเลื่อนๆน่อยเวลามันเงินหนี่ยมันอยแต่จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามันเติบล้วมันเพิ่มเรื่องเร็วเยไ่หนึ่งสองไม่ถึงครั้งหาหรือหกครั้งนี้ เคยลนะกล้ามกรนะดิ่งนหนเ้าไม่เทางวงนอนไม่เท้าอ่อนเพรียงหรือพันหรืออกันฟุกฟุกหาวันหนึ่งหนึ่งเทปท้งู่ต่าเรียกบวนชาวนากับอมรหรืออะไรการหางวัวป่วยหนักอินาทไม่ยา มาฉันตาเขาไม่านวิทยุติดนัดฟังดิ่า น, น้โี่ยแต่ผมนี่ไม่ชื่อผว่าไม่เชื่อหมืนาเป็นหมายท่านแบบเป็ น, นหมายท่านนั่นแหละมัานทิ่ชัดเจอทเจอองานทัดเจอหนงป่วยอยู่แล้วทา่านไม่ให้บอกใครนึกท่านมาเขียที่หมายมัน บอกคนนั้นคนนี้ถึงขนาดนี้ไม่ไม่เชื่อว่าไงสกปรกความคิดมนเป็นไหนแล้วไม่ยุ่งับใครพอะที่จะหาความเื่าเหลือจากใครมันเป็นการศิลปของเราเองเป็นยังไงนะมันวุ่นน่มันเป็นเรื่องกันเราก็เห็นวุ่นใจอลไรติดื้ไม่สบายบ้างก็เฉียบเขาเริ่คนมาดุงเราในมือ เพื่อใหความมอยู่มาไปนี่มันไปนั่น ไ, ไ, ไปนี่มนม่อยากตันไม่สบายนี่ได้ไป้โมงกว่า น, นะวที่อันไปทุ่มหนึ่งนนแล้วกันไคงไมคิดเป็นห่องว่าไปส่งสคร ตึ้งแต่หโมงเท่าหยนี่นะครับมันพุ่มเลยที่จก็ไปถึงนั่น้อนออกเวลาเท่าไหร่นี่บคุณรวลวเขาหกโมงยี่ที่ยี่สกบห้าหนมันค่อยเทยงรไทสุด้ ทั่วประเทศไทยเรื่องขงพุงอยู่ของร่ส่วนตัวอของทำให้เสียหมดทั้งประเทศชาติขนาดประเทศชตินี่เป็นความเสี่หาย mm hmm. อย่างได้เลยเาหนี ป, ป่ป่าอะไรอย่างเี้ยของ่ทำให้เสียทังประเทศรายได้ เสียไปเ่าไรความเสียาการเสียงานของคนณเสียไปเท่าไรเพราะคนจำนวนนั้นจะเป็นเราเยูโ่โว้ตัดใหญ่ทย์ห า, ายด้วยลงโทษด้วยรับคนปกครองคนหมายบ้านมีนมทาไมไม่ดำเนินตามขอตามเกตตามแกวตางม า, ม า, ม า, มามมทำลายอย่างนี้น วัคนทั้งประเทศทยังงมาถึงเราตามหมายมืหลักทำอย่างวิไหนนี้มันเป็นอย่างนั้นเข้ากันไะด้เราจะหนักที่อยู่ขาดแคลนแล้ว่ออกจากงานหมดไม่ให้มีเหลือเลยโทษ ด, ด้วยคนทําลายชาติคนมาตระเทศข้อความนี้เก็นยวตัวไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่สิ่งที่จะส่งเสริมได้ ให้ยอมทนไม่ได้จังนี่ดูวันนายกเขาเขาเป็นผู้รู้เป็นการร้องขอว่าเขาเดินรถรถโมทนาเขามันโมทนาอะไรก่อนเหมือนเด็กคำพูดท่านี้แล้วว่าบุญดลเป็นเราคำนี้เกี่ยวับความรู้ปะ่างเราเรามีรู้สิ แห่งความเสียหายมันมีมากเนาะที่ในเรื่องเลือกของภูมิเจ้าของถ้าจะเกรียบเทียบก็ขอให้ภูมได้รับความสบายนัดตัดแข่งตัดขาเข้ามาบรุงพุงอ๋ออะเรตัดแฉ่งตัดขาตัดหัวเข้ามาบรุงพุงให้ภูมสบายมันเดินไปได้ไหมอันไหนเสียหายมากสิครับดดีพอนี้แจกภูมิแล้วตัดแฉ่งตัดขามาบรุงคุมตัดหัวเรานี่ลงไปบมุงคุงเรามันเป็นความได้หรือความเสียหายอะไรเยอะนี่แบบนั่นนี่ ทำลายประเทศชาติบ้านมาเมืองหมดเพราะความเห็นภูมิเจ้าขอ ง, ขอ ง, ง<ม>เท<ม>่านั้นวางยืนเพระเจาหนาขนาดนั้นยังไม่พิจารณาโทษดผู้ตามหลังกดเมียต้อง ม, มาพิจารณาหลักเราและหนักแล้วจะกรงกรรมกดจริง วันนี้เป็นเรื่องเสียหายมากเป็นตัวอย่างไม่ดีเราปกครองแันมองเราไม่เคยปกครองไม่ได้เรียนะอะไรัศน์ศัพ mm hmm. ท์ทัศน์ิลอะไรรถม้าเรื่องความอคหารเดกวัยใสไปดูนั่งโงเรกัน mm hmm. เพราะรถไฟไม่มีเป็นมันเท่าห เสียเงนเริมหนึ่งลา้านเสียเงินเสียทอลงลุ้งลุ้งแรงที่ไหนจะพาค น, นไปไม่ไกลับบ้านไม่กประเทศเสียสมุรายได้ของประเทศเพื่อนคนนั้นนะมันต่ะมากรึงห้านล้านบางยอย่างเพราะคนกันพวกเสียพึ่่องรายได้กาคิดหาดบงนนรายเสียไปยิ่งเสียไปมาก การคุ้ราเลกนะารปกครองระเบิดเงองไทยเราเหมือมนเด็กปกครองกันเหมือมีอะไรจริงจังเลยดีไม่มีมมมกฎเดีย๋ย่งางกฎหมายและลปกครองเหมือนเด็กผู้มันมันนออผู้มาเรื่อยไม่หย่ถอย น, น่าคำนึงถึงผู้ข้างหลังที่จะแบกภาร ะ, ะนี้ให้ตายกันว mm. ันนี้นั mm. ้วเราก็ผ่านไปก็สมาแล้วคู่ไหมเอ้วผู้หลังที่จ ะ, ะ, ะมันแบกภาระนี้ mm. นั้นจะหายร่มจนไปด้วย mm. เพราะนี่ผมห mm. ัวะนะะดาขนนมเราทำไมเราคิดนะวคนนี้ผม mm. เต็มตัวได้ mm. พระมาแล้วเท่าไหร่ก็ าการพุ่งกันนะในวงคุ่งกันนะาพวกวางนะกดหมูถูกแผ่นดินมันเท่าไหร่แล้วสุดท้ายของแผ่นดินมนะันพวกจ็ดแบกนี่แบบถึงประลุมประนามสร้างความหนะัก ความร่วมมุอเกี่ยวกับเทศชาติเมือเรื่องใบนี่มันก็สร้างได้ม า, มากแต่มากมันจะไม่ร่มมุไอได้ประเทตั้งประเทศนีศ่แี่แค่สินเต็มเนื้อเต็มหนังเต็มตัวเต็มแผ่นดินอืมอาวุธนานเราสลบทั้งเรื อ, อ, อกห ม, มนกันอดชินไม่ไดรื่อความเกี่ยวเนื่องถึงกั น, ข น, ขนเราก็ทำประโยชน์ให้โลก การร่มแต่งตานข้อหินแต่ตัวมันเป็นนิสัยพันดานะฉะนั้นคอรับชันทั้งระบาทมันเป็นมาตั้งแต่ใหญ่โตโตเลมันก็น่าคุณน้อยแต่เนีผู้ใหญ่ผาดตึกผู้ใหญี้วามคลไปกลมมากับหลักกฎหมายบ้านเมืองคุณน้อยมันทะเยอะไม่ขึ้นหว่าเะ ควาเห็นจากตัวคลิปนันความสาวทีความเห็นจากคณะมีน้อยมากเพามันอยู่นระทธานั่งให้เดินไปนของโลกถึงนังจะเห็นมันรู้ไหเพราะฉะนั้นตงต่างกันมากกับเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าทรงบัญชาเอง การทางงานตั้งกฎขอ้อบังคับเช่นวินัยกฎข้อบังคับเหมือนกฎหมายกฎหมายพรงก็คือวินัยที่เปิดทางให้ดำเนินก็คือทำทำจัดถึงจัดประโยคเพื่อจัดเตรียมรักู้อื่นขีดทางนี้ก็ ปราโทษโดยลำหนักลำนาตั้งแต่ปารตคิสุมาจทมาถึงพิพาิโดยลำหนักวนอเอมันมีกระหานีข่าววนปากาปาาหับลหนัเปหนอเปเ อ, อนะนั่เปื่อนเปื่อนพะ น, น, น, นันี้ก็เป็นนิสัยของางข์ไทยเราเลาเข้าาบวในศาสนาก็มาพนที่จเจานิสัย ของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทําลายทําหลักทำยังไงคือความสะดวกอากามใจต่างเดียมันก็เป็นที่เห็นทุกหนและแบบนี้ระวางเลยเพราะนิสัยสันดานนี้เองมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทำยังไงมีอยู่ไม่ยอมทําตามมันก็แบบเหมือนลูกคนหมามันมมีอยู่ไม่ยอมทําตามนิสัยสันดานนั้นมันเคยดื้อเคยได้มาทำมาในวงศาสนามื่อนเหยียบย่ำทําลาย อำนาจมันก็ไม่ลงปกครองมันก็ไม่ได้หรอกดิเพราะใครก็ไม่ยิ่งกว่าใครสุดท้ายผู้ดีก็มีน้ะผู้มากก็เป็นแผ่นดินไปปกครองกันได้เยดีไม่ดีผู้ดีก็รีสี่่ไปด้วยถูกกดขีบ่บังคับไปด้วยเสือนั่นทั้งโลกก็แบบเดียวกันนี้ท้งาศาสนาก็กําลังเป็นเหือนเดียวกันนี้เหมือนก แต่เพียงคผมดูท่านอะไรที่มาจากวัดเมื่อวนนั้นผมก็ฉลองสังเกตมีหลายวันเหมือนกันท่านหลอดนะั่ะท่านหลอดเคยเป็นกรรมาฐานแต่ก่อนมีปีญ า, ายาญาดีเรืออ่อยๆนักเขารคเลือกใส่นี่พอไปเจอเจ้าอาาสวัดพรหนานีขุนออกมาพายดูมาเป็นคำดูไม่ได้เหมือนไป ด, ดูลักษณะเหมือนกับบอ บุญบาปไม่มีแต่งแล้วได้รวมทาทางเรื่อยเหลายรันเันอนกเราถึงชอวแบบนั้นตรนโอ้โหเป็นขนาดนี่เดยนเป็นขนาดเราไม่พาดไนฝันู่ที่ยากท่าทางอะไรนะหมดเมื่อมันเกิดความเมาม่ีอะไรแล้นมันก็หมดที่เขาลบบูชาเขาลเดวงใจที่สูงที่ต่าก็หมดไป เพาะจิตมันเป็นหลังหนีไปหมดแล้วแล้วศาสนาเป็นโลกบางหน้าหาคุนหาความร่ําความรวยห า, าเงินหาทองเรื่องารศึกษาสนอเงิน demo งานการอะไรก็ตามเพื่อเงินทั้งนั้นไม่ได้เพื่อธัรนี่ให้มเพื่อนพิจารณาการพูดอย่างนี้ผมไม่ ท่านใจทํานุติเตียนพู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้การพูดนี้ก็พูดตามหลักของเหตุผลด้วยแต่เป็นจะติดแปลกมาศึกษาอบรมด้วย<ม>อย่าลืมตัวราาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคือชลนะมุขเสด็จที่ควรจะยึดยิ่งกวดขี่หมูขี่หมานัันที่ขาวมาหลังอันนี้ติดมากติดน้อยเกลื่อน เกลือไปหมดตามความสกปกสรกรวบคุณแรงได้หมดเพราะไม่ใช่ของดิบสิ่เกา่าด้วยการดำเนินมานี้การปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมมันถึงจะเป็นเป็นธรรมมันถึงจะมีธรรมในใจปฏิบัติเป็นธรรมธรรมก็ต้องมีในใจถ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นธรรมจะเอาธรรมมาจากไหนมันมในใจ มันคือใดเรื่องเรื่องทาเท่าขาลิ้มขาเยืยดตัวเรื่งเินเริ่มงทองเรื่องร่ำงรืองวยโกงเงินข้ามกับศาสนาเป็นเครื่องสำนักจิตใจเครื่องสำนักอิริศสลมันโงิข้ามกับคาว่าสลัมันจังฝนหรือไหาความดีมาจากที่ไหนมันก็ติดได้กับคารวาสข้านะ เ้าผ้าแล้าสีพันสีมาปกคลุมมันขอเหมือนกองผ้าให้ถึงหาความทุกสิทธ์วิเศษที่ไหนมาถ้าสติใจซึ่งเป็นตัวประทานไม่ดีแล้วกียามัญยากจะหาความดีมาทำไมหือถ้าคิดไปอย่างนี้ก็ทำให้อึนแล้วอจใจไม่เปน มันทําให้จิตใจอ่อนกําลังที่จะแนะนำจากฟ้อนครยตะใครเล ย, เลยอยู่ลําพังเรามันสะดวกสบายเพราะเราไม่มีความมุ่งหวังอะไรจากผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าเราจะใครมาติดต่ อ, อเราไม่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดไปในงานใดเราไม่เคยคิดถึงเรื่องโลกาภนี้เลยยิ่งกว่าใจคนที่เราจ้างใจจะไปสงเคราะห์นั่นเรามุ่งอย่างยิ่ง เราเห็นหัวใจไม่มีคุณค่าไหมค่นนับาตนักการอบรมจะเป็นสิ่งที่สูงส่งและทำความสงบร่มเย็นได้แก่ผู้นั้นๆตลอดสังคมทั่วๆไปธรรมนึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากหากว่าปราศจากการอบรมเขียจิตไม่มีสีมีธรรมก็คือไฟกองไฟทั้งกองน่ะเผาอยู่ในหัวใจเราอยากเข้าใจว่า คนมีความรู้วิชาสูงเรียนทำเร็จเป็นยาตรีโทเอกแล้วมีเงินเป็นนั้นล้านนั้นเขามีความถูกเช่นอย่างเขาโชว์แก้วอเหล้าในคือถือเงนเขาเขาโชว์อะไรโชว์ความโง่ของเขาโชว์ความลามโลกของเขาทําท่ายิ้มยิ้มยันยัยยยยไปนะั้นขนาดที่ว่าอะไรเอาประหล า, าดล้านอะไรมาประดับหน้าล้าน ตัวข้างในมีแต่ขี้หมูที่หมามีแต่กองปืนกองไฟหัวใจเป็นเปอย่างไปเราดูเราอ่านเราติดเจอมาผัสใจไม่มีสีมีธรรมแ้่เท่านั้นถ้าจะ อ, าอะไรมายินกันว่าเป็นความูกนีงเราเชื่อไม่ได้เพราะเราก็เคยอยู่กับโลกมานานพอถึงขวด น, นี่เกิดเจ็บติดเรื่งเรื่องอะไรระบกลบกบวกปูนหันเทียบเทียงยิ่งเดินมาปฏิบัติธรรมยิ่งเป็น ผู้แข่งกันกับโลกได้ดีมีสิ่งเปรียบเทียบนี้สิ่งให้คัดให้เลือก<ม>เป็นผู้แข่งกันได้ดีทําไมจะไม่รู้ได้เรื่องของโลกของธรรมไปยั<ม>งไมทำโก้โลกก็เห็นเหมือนโขาวจะเหาะบินไปเฉยทั้งสิบีน ก, ก็ไม่มีหัวใจก็เป็นเกินไปเรื่อ ง, งของโลกมันเป็นอย่างนั้น เรื่องของธรรมนะไม่มีใเรื่องโชๆๆโชเช่เช่มาโชมาอวดหมุนตี้วเข้าไปในหัวใจไฟมันอยู่ที่ไหนน้นานดับน้ําคือธรรมไม่มีน้ําใดสิ่งยิ่งกว่าน้ำธรรมเข้าไปดับไฟคือขี้เหล็กราคากินาโทสักินาโมหกินาราคาก็เป็นไฟเผาใจโทสักก็เป็นไฟถอนใจ ความหลงก็เป็นโมหะก็เป็นไฟเผาใจน้ำคืออัดคือถัมมีสมาธิมีสติมีปัญญาขเข้าไปเผาเข้าไปช้าล้างสิงที่เป็นกุนเป็นไฟไปเมื่อไฟนั้นระงับลงด้วยน้ำความร่มเย็นเป็นสุภาในจิตใจก็ปรากดขึ้นมาเท่าที่ใจหาความ สุกไม่ได้คนระับความร่มเย็นไม่ได้ก็เพราะไฟคือความร้อนที่เกิดขึ้นจากยาคาตาหาโทสามโมหานั่นแหละมันเทบสารอยู่ตลอดเวลาจะหาความเย็นได้ที่ไห น, ใ, นใจมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเยี่ยงนี้ทําเป็นเครื่องำะสำนักสามดับนะไฟภายในใจได้ย่อมมีความสงบเย็นขึ้นมาได้ ทำจริงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อโลกทั่วๆไปถ้าโลกยังตามความสุขความจเจริญอยู่แล้วโลกจะหนีฝ า, า, ากอ <c oughs> ัะตักษ์ไม่ได้โลกใดก็ตามถ้าปราศจักธรรมโลกนั้นของคือโลกของสัตว์ดีาดชานาดีๆนี้หาความสุขความเจริญเพรความรู้เรียนมามเพทาะมีสมบัติมากนั้นอย่าหวังมีจะเสียสารต้านร อ, อกในชีวูตหลักธรรมชาติดีจริงแล้วจะ จะไม่ผิดอะไรกับคนประท้วงไปยิ่งมีความรุ่มร้อนมากกว่าคนประท้วงไปถึงนอยู่ตามบ้านนอกของน่อยนี่ น, นี่เขาไม่ค่อยมีความทุกข์มากอะไรถึงเดงลําบากลาบนเพราะการต่อแส้าหาอยู่หากินอันนี้ก็ทุกทางการแต่ใจเขาไม่ทุกข์มากเหมือนพวกที่มีความรู้มากๆความโลภมากๆพวกมาก ๆ, ลกากๆแล้วความเกลียดแค้นมันก็ต้องตามมาตามความโลภ การทำความชั่วมาจากอันนี้แล้วก็ฆ่ากนันนั้นคัดผลประโยค น, น์น ก, กนันนั้นคัลประโยชน์นี่แล้วฆ่ากันน่ารกหนักฆ่าปิดปากบ้างอะไรบ้างมันเรื่องอะไรกันมันเรื่องไฟหรือเป็นเรื่องน้ําเป็นเรื่องความร่มเย็นหรือ เ, เป็นเรื่องความพินาศหรือหายเราก็ดูคนรู้นี่นะจะดูยากอะไรเมื่อเป็นนั้นใครจะมีความสุข เราเชื่อไม่ได้สําหรับเราถ้าใจปราศจากธรรมที่อย่างเดียวนเราเชื่อไม่ได้ว่ า, าคนนั้นจะมีความสุขผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีการรักย่างช่างตัวมีการพินิจพิจารณาค่อยควรในสิ่งที่ถูกที่ผิดผู้นั้นย่อมจะลบดีติดตัวได้ในสิ่งที่เป็นถัยและทําสิ่งที่ดีแก่ตนพอจิตใจที่ได้รับความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจากความดีนั้นหน้าเราไม่สงสัย ในปฏิบัติหรือได้กำผัดสัมพันธ์กับโลกมากอนานพอต้องวบวชบวชมาก็ได้สี่0ิบกพรษานี่ 45, 45นะสี่สิบสี่สิห้านัเต็มสี่ิห้าปีสี่สิบหกพาทางธรรมะเขาเลือกเป็นพินิพจน์นาเทียบเคียงกันกับในระหว่างโลกกับธรรมดีกับชั่วสุข ก, กับทุกข์เอามาเทียบเทียงในระหว่างธรรมกับโลกนี่แหละเป็นสนามรบ เป็นคู่แข่งกันระหว่างีิเลษ ก, กับธรรมที่มีอยู่ในโลกอั น, นี้โลกหัวใจเนี่ยเ ข, ข, ขาทราบได้จิกมันดิ้นตลอดเวลาหาความถูกได้ที่ไนด้วยเนี่ยอายสาาัยคำนัชภาษาให้มีความองร่มเย็นลงได้นั่นแหละเพราะงั้นจึงเห็นความเพียน เป็นของํำคัญที่เยจะระงับปืนไฟภายใจิตใจคือความทุกข์้ามูุ่นวางตัวเองดักตรงไปสงบตรงไปด้วยหลักของงอมเทีิงอันเป็นฝนคือสมาธิขึ้นมาความสงบเย็นนี่แหละหาความสุขใหาตรงนี้เราเป็นนักธรรมะอย่าหลงโลกหลงสารครับอย่าตกคุกเงาอย่าตื่นใครทั้งนั้นคนเหล่า น, นั้นมีแต่คนมีกิเลส เครื่องหลอกลวงตนเองและหลอกลวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลารอบด้านรอบทิศมีอยู่ทั่วดินแดนไม่เป็นสิ่งอาศจา เ, เลยสิ่งที่อาศจาก็คือของจริงไม่ต้องเศษต้องสารตั้านดอหรือถังเอให้จริงจังกพระโพธเจ้าเป็นศักดิ์ศีพยานในการเจาะแสดงหาโดยถูกทางและผลเป็นที่พึงพอแต่เกิดขึ้นมาก่อนโลก ก่อนเคยไข้ทั้งหมดในสมัยปัจจุบันมีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาปัจจุบันดีร้นนานทำที่ประกาศออกมาก็หรือประกาศผลที่ได้รับและประกาศเหตุเครื่องดําเนินอันเปิดที่จะได้รับผลนั้นออกมาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีทางสงสัยสังขง้างกับพภาษาโลกทึ่เสนับจากฟวาจากพระพุทธเจ้า แล้ดำเนินตนตามแนวทางที่ทรงสอนแล้วอย่างนั้นเป็นผู้ตักตวงอมมรรคผลนิพพานสังหารที่เด็กอาชวะอันเป็นเชื่อแห่งไฟ ร, รายกันมันเผาอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลานีนให้หมดรากสิ้นซากกะได้โดยเินเจริก็ทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่เยื่ยดับไปได้อย่างล่าวใจเป็นบรมสุขเราพิจารณามาเต็มทุตกำลังขวเราแล้ว หาที่โรงจิตลงที่ไหนไม่ไดเ้เลยว่าความสุขอันแท้จริงกับความทุกข์อันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใ จ, จของสัตว์โลกนี่ความทุกข์อันแท้จริงนั่นคือกิเลสเป็นสาเหตุตัวสํควาคัญความสุขอันแท้จริงนั่นคือธรรมหรือมรรคเป็นสาเหตุอันต้องการที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมาเป็นผมแล้วเราพิจารณาเต็มทัศน์คาลังคอยสามารถหา คือไม่มีทางสงสัยเวลานี ăn, ề, ้บอกไม่สงสัยเ th ่องนี้เลยเต็มหัวใจหะความสงสัยไม่ได้ว่าความถุกและความทุกข์ขั้นเด่นลึกเป็นที่อยู่ของความสูขของทุจริงคือที่ไหนได้ยัคือใจของสามโลกอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ทุงถุงต่างๆอยู่ในภูเขาเขาอยู่บนเมฆในอากาศใต้น้าบนบกที่ไหนไม่มีจะมีอยู่ทางโพคัสมบัติ มีอยู่ตามคอมภพิวเตอร์มีอยู่ตามดับวิชาต่างๆที่เรียนมามากมา ก, ก็ไม่เห็นนีสรุปแล้วก็มาลงมาอยู่ที่ใจอันนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องดาเนินให้เป็นความสุขแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ไม่เห็นเกิดลงที่นี่เจอที่นี่แล้วมันไม่ไม่เอบหาอะไรก็เห็นอะไรจะยิ่งขวัญ ต่อยเงนไปโดยลำดับลำดับลหนักพิจารณาไปเพราะทําเป็นคู่แข่งของโลกกับโลกทำเป็นคู่แข่งกับกิเลสกิเลสเป็นผู้สั่งสมทุกข์ให้สั่งทำเป็นธรรมชาติพิจารณา์สมถุให้สายโลกลองนำมาปฏิบัติทำจัดกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ไม่เป็นกัปปนาจิตใจก็สง่าง า, ามขึ้นมาหน้าดูหน้าชู อยู่ที่ไหนก็เกิดความปีติดมันดีเรื่อยิ่หาภัหาเวรไม่ได้เนื่องจากตายเพราะเหตุใดก็ตามก็เป็นเรื่องของขาดของขังนธรรมดาไนมะ่เห็นที่จะกระทบเกินถึงจิตใจจิตเต็มไปด้วความสุ ข, ขอันสมบูรณ์นั่นเลยถ้าใครจะลงใจก็ลงตัดสินใจจะของเมื่อไรก็ตัดสินใจลงในจุดไหนในนรกหรือ ในบุลมะสุก็อยู่ทีใจเนี่ยเป็นต้นอีกตัดสินใจลงถูกแล้วเราก็ไม่เสียอายกิเลยควาคิดประเภทใดที่เป็นกิเลสจะต้องถอนตัวออกทันทีถอนตัวออกทันทีลบหลีบแก้ไขหรือปิดเครื่องกันทันทีทันทีไม่สิ่งที่ไม่สุกนี้ใส่ไม่ยอมให้มันแสดงออกมา ไม่ว่าแต่ทางกายทางวานจาไม่ว่าแต่ทางก า, งายทางใจแม้แต่แสดงมาทางจิตก็สติก็มีอยู่นั้นแล้วขยับตามมันทันทีฟัญยากวาดฟัฟนทันเนี่ยนรับถ้าเราไม่เคยกินกับกิเลสเดียวอย่างเดียวกท่นั้นอันนี้มันความเคยชินกับกิเลสอย่างที่มันจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมแต่พอรู้เรื่องว่า น, นั้นเป็นกิเลสนี่กิเลสนั่นหมายความว่า เริ่มมีธรรมแล้วมีสติเป็นสงขัญปัญญาตรงนสัญพี่ น, นาคัดคล อ, องเต็มสติเราแล้วไม่มีที่ตรงที่ไหนตรงใจตรงได้เอาละตรงนี้แหละแน่ใจไม่มีที่ตรงไหน น, นอกจากใจข้ า, นนางในทำไปเปึง เครื่องท่านหลักดันเลยเพื่อความสุขทางใจอันเป็นผลนี่ท่านันงกลานั้นเราไม่ต้มงโลกเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งโลกแต่เราพูดใหนรู้เป็นสัดเป็นส่วนของโลกของธรร ม, มาต่าง ก, กันอย่างไรจะควรเลือกเฟ้นอย่างไรเราเป็นผู้มุ่งหาความสุขความกจเิยทางด้านใจเลยเปเพาะ เฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเพื่อความหุดพ้นความที่มุ่งพมุ่งเพื่อความหุดพ้นนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากภายในหัวใจเราเรียกว่าความมุ่งมั่นความมุ่งหวังนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องเข้มงวดกฎขัน ท, ทางของภาพเขียงทั้งฝ่าละฝ่ายรองเกียจเป็มเม็ดเป็นหน่วยเป็มพลีกําลังประตๆกันไม่งั้นก็เสียหวังเสียความมุ่งหวัง เป็นมาตัวอย่างความมุ่งมั่นเนต็นหัวใจก็เป็นมาจะไม่รู้แรกยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรผมสนใจกับอะไรเหมือนกับวัวกับควาที่ป่อยให้กินยญ้าอยู่ตามท้องนานั่แหละผ่าตัดตัดชีวิตอย่างนี้ไม่เห็นมีะสะทกสะทานเลยเราเองนะหัใจใาาที่เนื่อยกาไห่งการศึกษา ข้าโดยความสนุกสนานก็มีข้าโดยความอยากได้มากินก็มีข้าโดยความคิดกดแคมม้มันบั่งอะไรบัางก็มีมีหลายด้านซึ่งเป็นทางที่ผิดทั้งนั้นคือไม่กลัวบาปเฉยๆอยากจะเป็นบั่งนั้นนี้ไม่ผิดข้าโดยความทนองนี่นนมีสำคัญเมื่อเรามาอบรมเข้าอครับว่าศีลเป็นรั้วกัน้น ปานูสัตว์มีชีวิตปานั้นท่านดิตาตนรู้อยู่ว่าสัญญตว์มีชีวิตวัทกะกิตังจิตคิดจะฆ่าอุปกาโูททำความเตรี ย, ยมิี่จะฆาเต้น้ะมาลังสัตว์ตาด้วยความเกิยงานร่วมแย่งกันเป็นร่้ว ก, กันงเหมือนสีนขาดเยตนาไปพร้อมๆนั้นสีนขาดทำเป็นทำประเภทหนึ่งท่ท่านให้ชื่อว่าสีน ตอนนี้เร า, เราบวชที่แรกเราก็เอานัง่ง เ, เป็นหลักเป็นศีลปฏิบัติตามหลักของศีลนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วอบรมทางด้านจิตใจมากเข้ามากเข้ามาเ ข, าาเขา้าในไหลเข้ามาสู่ใจตรงเดียวเป็นทําไเป็นนึกจะทำไม่ลงมันถึงขนาดนี้คุณทาไม่ลงตัดฆ่าตัดทำไม่ลงเลย ตายก็ตายขึ้ ง, ปงนะเปล่าถ้าท่านฆ่าสัตว์นี้นะทําไม่่าแล้วจะค่าท่านบอกเราไม่ค่าสัตว์แนี้จะฆ่าเรานฆะ่าได้เลยแต่เรื่องศัพที่จะตายด้วยเราจะฆ่ามันด้วยเจตนา น, นี้เราเป็นไปไม่ได้เลยนะความแน่ใจถึงขนาดนีน้มันทําให้ลงจริงๆริงทำเขาก็เหมือนกับทําเราทาลมได้ความสงสารสัตว์นั้นมันโอ้โหมันคือว่วามหมาย เกินกว่าที่เราจะได้ทาลายหลงได้าหลงคอนี่เป็นธรรมชามติของจิตเองเราไม่ได้เสกสรรตัน้นกัอะไรเพราะการอบรมเพราะฉะนั้นจิตเมื่อเป็นธรรมทั้งแผงแล้วจึงอ่อนนิ่มไปหมดไม่จบตนว่าสูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดแล้วสัตตัวใดตัวคว่าสับเพสตามาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจด็จตายด้วยกันทั้งสิ่ง น, นี้มันซึ้งจี๋ มันไม่มีความรู้สึกจะทะนงตัวว่าเราเป็นคนเขาเป็นสตว์เราสูงกว่าเขาเรามีนานาาียนหน้ารักหนายังไงมันไม่เคยมีในขณะจิตน่ะรับความรู้สึกที่จะซื้อออกมาไม่ต้องว่ามันตรงขึ้นมาอย่างคช่ซื้อออกมาเนี่ยมันก็ไม่เคยนั่น ล, ลงทั้นสมุภาพเนะี่ยสมุภาพไม่ยกตนข่มเขา นี่เขาเพื่อนแก่แกแกแกๆๆไปแกลียดกันด้วยกันแล้วก็จะทำกันลงขออะไรอยาให้ยทำไมลงมของศึกเขาไม่ได้ตัวตัวแต่ทําลายหัวใจเขามันทําลายได้อย่างไงทำลายหัวใจแต่ทําลายข้อสมบัติของเขาอะไรอะไรก็อยู<ม>่ขึ้ช<ม>ื่อว<ม>่าสิเก<ม>ี่ยวกับการทำลายแล้วมันทํำไม่ลงหมูกากเขมาเป็นธรรมอยูี น, นึงว่าใจด เมราในรับการอบรมแล้วความเปลี่ยนแปลงขอความรู้สึกมันค่อยเปลี่ยนแปลงไป น, าางนี่เองจนกระทั่งถึงมันเป็นที่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็หมดไปเไปหลือแต่หลักธรรมชาติตล้วนหลักธรรมชาติล้วนนั้นมันไม่มีละคําว่าสูงมาต่ำว่าอะไเราเป็นท่านเราเป็นครูเป็นอาจารย์มีคนเคารพนับถือมาก จะเป็นกา ร, รเยอเย่อหยิ่อะไรในภายในี้มัน ม, มีมันไม่มีเลยมันมีไม่ได้มีอะไรนั้นของเรื่องเขาเนี่ยเขาอะไรมาทาํทามู่ในฐานก็เป็นของเขาเขานับถือก็เป็นจิตใจขเขาก็นับถือะ mm hmm. จิตใจเราเป็นงางไมันเป็นคนลเรื่องลาเรื่องมันเป็นคนละปักละฝ่าไม่ตัดตนกัน mm hmm. แล้วมันจะเอาเรื่อ ง, องเขามาเป็นเครื่องเสริมไม่ทนงตัวได้อย่าง นั้นเธาไม่ได้ถ้าเป็นความเป็นธรรมของใจจริงเลยถ้าเป็นนับถือสามโลกธรรมนับถือเราคนเดียวก็ไม่มีแปลกอะไรกับไม่มีใครนับถือเนี่ยถ้าเราไม่มีถ้ามีส่วนอะ้รที่ได้จากเขามันเป็นเรื่องของเขาเพราะตําบลจีจินินทาก็ทั้งก็เกิดที่ใจของเขาเขาสร้างเหตุไม่ดีที่ใจของเขาผลจะพึงได้รับก็ไม่มีผู้ใดที่จะไปรับแทนกันมากนอกจากผู้ทํานั้นเท่านั้นจะเป็นผู้รับผล เขาชมเชยเขาเสนสรรีความเชื่อทางสายเรามันก็เป็นการสร้างเหตุผนดีภายในจิตใจของเขาและการแสดงของเขาในทางที่ดีต่อเราทั้งหมดนั้นมันเป็นความดีสำหรับเขาเป็นการสร้างเหตุดีสำหรับเขาผลก็เป็นของเขาผ ล, ผ ล, ผลอันดีและจะแสดงผลมาส่วนจากเขาได้อย่างไงเพียงพูดอย่างผนผิวผลในนี้มันก็พอกระจาจกันอยู่แล้วใหญ่ใหญ่นิ่งจิต โดยหลักธรรมชาติแล้วไม่คิดให้เสียวเวลานี่อะไรเป็นนั้นอยู่อย่างนั้นธรรมดาตําหนิปีกินิพพามาก็กดกรูเพียงรู้มันก็ดับทันทัไนไม่ต้องไปวิ่นิชัยมาแก้มาเยียวยากันปดเพื่องันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ติดพอได้จปดเครื่องันไม่มาผูกมททัดพอที่จะถอดแต่ถอไดถอไม่ ม, มาเปียกใจจิตใจพอที่จะถอไดไปถอนกันมันสับธรรมกิริยา เสียงที่แสดงขึ้นภาพระดับไปพร้อมอันนี้ก็เพียงรับทราบภาพระดับไปพร้อมๆกันทั้งนี้เกิดขึ้นกระดับอันนี้เกิดขึ้นกระดับโดยทางนั้นแสดงความมีคาขึ้นมาเช่นนี้แสดงมาทางวาจานมันก็ดับไปพร้อมท้งนี้พอรับทราบก็ดับไปพร้อมเอาสาระถิดอะไรกับมันนี่มีคือดับธรรมชาตาต้องบังคับธัรชาติไหมต้องถอดถอนอะไรมันไม่มีเรื่องอยล้ว ทำล ง, งไปที่จิตองนี้เห็นแล้วรูนี้จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันะแยกกันไม่ออก mm hmm. เต็นที่แล้วเป็นอันเดียวกันตอนนัในวัจิต่แล้วทำทมีขันยัง ท, ท่านก็ บ, บอกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ในวนี้ยังมีขันยังมีชื่อของมุ่เข้าไปแสนยจิตเหมือนกันแต่เป็นจิตบริสุทธ หยุดถอนพลังใจนั้นไปแล้วไม่พูดหมดทางที่จะพูดทั้งเป็นธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นไม่ได้สูงสิ้นไปไหนแหละแต่ไม่ได้มีสิ่งไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องสิ่ตั้งโดยอยู่ด้วยความมีของมีอยู่เหมือนโลกทกั่วไปอีกแหละเนีเพราะฉะนั้นคําว่าศูนย์ก็จริงเขาไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้คำ ว, ว่ามีอยู่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้ความมีอยู่ของโลกกับความสูนยของโลกมันเป็นสมมุติเต็มตัว อันนั้นไม่ใช่สมมติคือวิ ม, มุตต์เนี่ยมันเป่เข้ากันไม่ได้พระอรหันตาลาศูลโลกมาศุลศุลย์ยิ่งศุลย์ใหที่หายปุนปีอันนั้นท่านไม่ได้เป็นแบบปุปีพระรอรหันต์องค์ไหนปุ่นปีทำไม่จะทําปุนปี้เพราะที่จะทำลายพระอรหันต์ให้ปุปีอย่างองีไม่หากไม่ไยู่ในสมมติของคนที่ไปเกี่ยวข้อง สมมติทั้งหลายมันเข้าไ ม, ม่ถึงมีอยู่เหมือนอย่งโลกทั่วไป่ไม่ใช่มันก็เป็นโรกทั่วไปกะแล้วสินิพพานมีอยู่อย่างนี้นะเหมือนโลกมีสิ่งทั้งหลายหรือมีอะไรเรอยู่นิพพานก็มีอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนิพพานก็ไม่สิ่งเดยวกับโลกเพราะนิพพานศูนย์ศูนย์แบบโลกศกูนย์ขี่ผายขี้ผายนิพพานก็เป็นธรรมชาติขี้ขี่ผายขี้ผายพิเศษเดียวกับโลกแน่ทีนี้นิพพานไม่เป็นอย่างนั้นทุกเว้นสุดไม่เป็นอย่างนั้น นีนเข้ากันไม่ได้รู้อยู่ในหัวใจเต็นใจนั่นก็พูดไม่ถูกพอพูดออกไปมันเป็นสมงมือทั้ง น, นัน้นอย่างนั้นจริว่าท่านหลวงปู่อาสันย์ทีโกรู้เองว่ามั้นรู้เองแล้วกราตัดสินตัวเราได้ไหตัวเองเช่นอย่างการรับทานี่ยต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างขบต่างสันเผ็จเข้มอดเด็ดอร่อยมีรู้ในลิ้นในปากทั้งหมดมันแหละจนกระทั่งถึง คามอิ่ น, นำำาําั้งร้านในท่าในขันรู้ด้วยกันเต็มหัวใจด้วยกันแต่จะพูดออกมาได้ไ ม, มามลักษณะท่าทางของความเผ็ดเป็นยังไงของความเค็มันเป็นยังไงของความเปรี้ยวความหวานเป็นยังไงของความอื่ม น, นั้นเป็นยังไงมีลกักษณะมันพูดไม่ถูกทั้งนั้นเน่ยทั้งที่รู้อยู่นี่เนี่ยมันพูดไม่ถูกนี่แหละสิ่งที่พูดไม่ถูกเรายกประหยากเช่นความอื่มเป็นต้นนี้ เพียงตอนนี้กับพูดออกมาไม่ได้แล้วบางครั้งที่ต่างคนต่างอิ่มเป็นธาตุเปนฐานที่ด้วยกันนี่แหละไม่มีใครหิวใครโหละเอ้ามีกี่ร้อยกี่พันคนเป็นระนักอิม่มทั้งหมดเอาคำอิ่มมาเจรณาญกันให้งัามดิแต่จรณาญได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นนั่นเนี่ะเพียงเท่านี้ก็พอเทียบได้กล้จิตวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมของท่านแล้วออกจากธาตุเป็นฐานี้หมดพิน ที่เกิดตัวตั้งสมมติ็นธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่แหละสิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึงก็คืออันนี้เลยจะพยายามจะทําลายก็ทำลายก็ได้นี่พานศูนย์อะไรจะทํานีที่เก่งมันก็อยู่กับปากถุนั้นเสียก็อยู่กับความรู้อมลงมานของัุนันเสียมันก็ทําลายถุนั้นอยู่นั่นแหละไม่ทําลายมันไม่คิดที่หายไปได้นี้อังนี้จะต้อง ตัดสินใจด้วยตัวเองปฏิบัติตายไม่พ้นไปไหนเพราะว่าอคติเราจัอยากเสียดายชีวิตเป็นเกินเหตุเกินผมอยากจะได้ความที่เกียจขั้ข้าอยากจะได้ความสุขที่เป็นอย่างโลกโลกทั่วไปเขามีความสุขกันแค่ไหนเราจะประกอบความเท่าเพียมก็คือจะมีความทุกความลำบากนั่นแหละคือพวกจะหาสาระอะไรสิสิ่งที่ทเป็น สุขสิ่งที่เป็นสาระมันไม่ยอมขยันมันไม่ยอมคืบคลานเข้าไปถอกิจกรรมที่เด่นที่เด่นรอทั้งวันทั้งคืนความสงบลมเย็นจะหามาจากไหนมันจะได้ไหนถ้าไม่ได้ด้วยความเพียรถึงเวลามังคับต้องเอาที่เอาจิตเอาให้มันถึงเป็นถึงตาแล้ยนัรู้ือเมื่อเราเรียนรู้เหตุดูผลกันด้วยการพัดเหี่ยมมันเป็นแม่เต็มนวยเต็มที่เต็มฐานถึงเป็นถึงตาแล้วมันพอสู้กันได้จากนั้นจริง ยังไม่เคยทดลองนี้อไม่เคยต่อสู้กันบ้างเลยนี่มันไม่มากกาลังของกันต่ากันเยเลสมันันมีกําลังมากขนาดไหนเราก็มีแต่หมอบรากมันอยู่นั่นเพราเราไม่เคยต่อสู้มาเวลาเอาจริงเอาจังเข้าไปจริงจริงนี่กิเลสมันก็ไม่เหนือทําไปได้นีน่ามันก็หมอบรากด้วยธรรมนะมัชฌิมาปฏิปทาย้อนแต่เครื่องเงื่อนธรรมสมัย นำมาเอาคนไปวาดฟันหันแดดกันลงไปเราอยากเห็นหมู่เพื่อนภาวนาได้รับความสงบเย็นมีความแยกคลายด้วยการพิจารณาในแง่งตา่างๆทางอุบายของกติปัญญาที่เรานำมาสอนตามกาลังของเราผลเป็นยังไงบ้างกันหน่อยเพื่อนเราคอยฟังเสมอหวังอย่างดีจิตใจของเราที่มุ่งอตอบรัเองมีความ จมรกพัีเรื่องมีความมุ่งหวังต่อข้าเนี่นี่มีมากยิ่งกว่าผู้อื่นใดส่วนนุ่โลกคารวาสเจ้าเรือนเขาที่มาเกี่ยวข้องเขาลาผสมเข้ากันไปตามการทางเวลาไม่ค่อยจะติดต่อต่อเนื่องด้วยความหวังดีอันแนบสนิทเหมือนคะาลราอันนี้มีน้ําหนักมากน้องหัวใจผมเองเห็นนี้ถึงต้องพยายามจะเกี่ยวกับการลําบากลำบืนก็อบรมฝึกสอนเพราะผู้นี้พูดผิดจะตั้งเป็นหลักเป็นฐานของ ของประชาชนเรียกว่ารื่นศาสนาจะทําโลกให้เย็นหนึ่งว่าขวางก็คือพระแต่ละองค์นี่มีความสําคัญมากแต่ค้านี้อยู่บนเวทีด้ ว, ย ท, วทยทั้งเวทีตําเนิจดเยียนทั้งเวทีชมเชยทั้งเวทีที่เขาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งเวทีที่เขาจะตําเนิจีเยียนดูที่ค้า แเราก็ได้บวชมาแล้วเวลานี้หน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีทีวิ จ, จิตใจมอบกับประชาชนหมดแล้วเขาก็พร้อมเสมอและพร้อมตลอดมาที่จะบำลลบรุงรักษาเราให้เป็นความสะดวกสบายด้วยจะตุปเจระญเทวฐานทั้งส่อย่างาวรวมมือบาตรเทนารณะกนะีฬานักเพศรวมสี่อย่างนี่เป็นส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่ที่หมดเขาก็พร้อมแล้วทุกอย่าง เราที่จะตังต้งนะต่างๆที่ปฏิบัติประกอบความภาคเพียนให้เห็นจิตมีความสงบให้เห็นจิตดวงดิ้นรนนี้มันสงบตัวลงไปให้เห็นจิตดวงโง่โงนี่มันมีความช้ลช้าหลาดเลี้ยมแรงผมมีคริกมีแพรง่งแปร่งด้วยเทคนิคต่างๆอุ้มยวิธีอุบายวิธี น, นั้นราอยากเห็นอยากผบให้มันเห็นด้วยความภาคเพียรนี้เพระราสอนพระสอนด้วย ขอทุกองคได้ตั้งหน้าต่างๆเพื่ปฏิบัติดูหัวใจมันอยู่ตลอดเวลาเผื่อไปไหนเกิดประโยคอะไรอืคิดเรื่องโลกเรื่องสารเราคิดมามากขนาดไหนเกิดประโยคอะไรนอกจากเกิดโทษโดยลระดับระดับเานั้นเรายังจากพอใจคิดอยู่เอามาเทียบเทียงที่ท่าปัญญามีปัญญาหามาไว้ทํำมาต้องแกงกินก็ไม่ได้ไม่มาไว้สำหรับรับษาตัวจะไว้รักษานี่เป็นหลักสำคัญอยู่ที่นี่ ให้กินให้จัเราตอบนี้แลานปัญญาอธิบายเพื่อนตอบ่ไมไมฉันเลย